รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ 8,000 บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น h ฮ u s ์ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากกว่าแสงอ่ะมีหรือเปล่าคือถ้าเป็นแสงเรามองเห็นด้วยตาใช่ไหม แต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เบียอนไปกว่านั้นทุกวันนี้เรารู้แล้วว่ามีอินฟราเรดมีแมกโนเวฟมี u, คลื่นวิทยุแต่ในยุค น, น, นั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นคลื่นวิทยุเราเลยไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะจนกระทั่งนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อคุณไฮบริดเฮอร์สนะครับเขาไปค้นพบคลื่นวิทยุด้วยการทดลองที่มหัศจรรย์มากจนต้องเอามาเล่าพูดง่ายๆก็ๆคือทุกวันนี้เราแทบจะอาศัยอยู่โดยปาศจากคลื่นวิทยุ u, ได้ลําบากมา ก, มกๆเลย you're listening to the standard podcast The eye-opening experience for your ears. b e r g e Log, t h o n physics podcast, with s c i e n c nerd n that will take you to n the world of physics from o u คำว่าสัญญาณวิทยุจากนอกโลกนะคะแค่ได้ยินคํำนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นคลิกเบสแล้วก็น่าสนใจว่ามันคืออะไรนะคะซึ่งเจ้าคลื่นวิทยุเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันกลับมีความสําคัญนะคะทั้งในระดับของเอกภพแล้วก็มาจนถึงในระดับชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะงั้นเรามารู้จักคลื่นวิทยุด้วยกันในใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ในตอนนี้นะคะอยู่กับฟังรัฐรอยจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวโรงจันทมาศครับ ฟังเลยอยากรู้เลยค่ะพี่บ่งแปงเวลาเราได้ยินว่ามันมีคลื่นวิทยุนั่นนู่นนี่เนาะจากนอกโลกด้วยแต่ถ้ากลับมาทำความเข้าใจคลื่นวิทยุมันคืออะไรแล้วมันมาจากไหนคะคลื่นวิทยุคืออะไรผมว่าเป็นคำถามที่ถามที่ดีเลยนะเราจะมาทำความเข้าใจถึงรากฐานและการค้นพบมาเลยดีกว่าวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงรากฐานและการค้นพบเนี่ยผมเริ่มอย่างนี้ก่อนคือรอบๆตัวเราอะครับตอนนี้มันเต็มไปด้วยคลื่นวิทยุนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นร่างกายเนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันไม่ได้เลยถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดวิทยุฟังมันก็ยังมีคลื่นวิทยุอยู่รอบตั ว, ตวเรา<อ>นะฮะมีคลื่นวิทยุอยู่ในช่วงความถี่ต่างๆกระจายอยู่นะอยู่ในอรอบตัวเราเนี่แหละอยู่ใน อ, อากาศซึ่งมันใช้ทั้งการส่งสัญญาณอุปกรณ์วิทยุเนา ะ, ะโทรทัศน์แล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็อย่างที่บอกอวกาศด้วยซึ่งมันคืออะไรใช่ไหม คืออย่างนี้ก่อนผมเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในยุคของคุณเจมส์คลาร์สแม็กซ์เวลนะฮะเป็นนักฟิสิกส์ชาวสกอตเขาสร้างทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาใช้อธิบายธรรมชาติของแสงนะฮะบอกว่าแสงเนี่ยมีธรรมชาติพื้นฐานเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหนียวนํากันและกันวิ่งไปในที่ว่างแต่ทีนี้คําถามหนึ่งที่ตามมาจากทฤษฎีของคุณแม็กซ์เวลก็คือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น มากกว่าแสงอ่ะมีหรือเปล่าอืมคือถ้าเป็นแสงเรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่บียร์อนไปกว่านั้นใช่คืออย่างนี้แสงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยที่เราท่องกันมานะมีม่วงคราเมื่อถึงแสงแดงะนะครับเป็นสเปกตรัมของแสงสีต่างๆเนอะม่วงเนี่ยความยาวคลื่นมันจะสั้นส่วนแดงเนี่ยความยาวคลื่นมันจะมันจะยาวนะทีนี้เลยจากแดงไป อ, อะไ่ะเีอะไรไหม โอเคทุกวันนี้เรารู้แล้วว่ามีอินฟราเรดมีไมโครเวฟมีคลื่นวิทยุแต่ในยุคนั้นเนี่ยเราเราไม่เคยเห็นคลื่นวิทยุเราเลยไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าจนกระทั่งนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อคุณไฮบริดเฮ r ร์สนะครับเขาไปนคนพบคลื่นวิทยุด้วยการทดลองที่มหัศจรรย์มาก<ค>จนต้องเอามาเล่าการทดลองนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1886แถวนั้นซึ่งก็กี่ปีแล้ววะสอ0กว่าปีแล้ว คือยุคเก่ามากอแล้วเขาสร้างเครื่องส่งสัญญาณวิทยุแล้วก็เครื่องรับสัญญาณวิทยุได้อ200ปีก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาสร้างทําไมนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เอาเป็ว่าเขาสร้างยังไงก่อนก็แล้วกันอุปกรณ์เนี่ยถ้าไปดูนะครับลองดูรูปนะฮะดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสองส่วนนะครับส่วนลูกกลมๆอะไรบางอย่างอ่าส่วนที่เป็นลูกกลมๆสองลูกเนี่ยเป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุอื ส่วนไอ้ที่มีลักษณะเป็นวงแหวนซ้ายมือเนี่ยนะอันนี้คือเครื่องรับสัญญาณวิทยุอไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเห็นว่ามันมีสายระยองระยางนะไอ้ตัวเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้จ่ายไฟค่ะแล้วไอ้ตรงที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาเรียกตัวเก็บประจุไฟฟ้าไฟนี้ก็จะจ่ายไปที่ตัวเก็บประจุพอไฟมันมากถึงจุดหนึ่งตรงกลางครับน้องฟางดูมันจะมีปลายแหลมๆอยู่ห่างกันนิดหน่อย ตรงปลายนะครับในที่นี้บางทีก็แหลมบ้างบางทีก็เป็นกลมๆมแล้วแต่ออกแบบการทดลองนะแต่มันจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่ที่ต่อจากตัวกเก็บประจุออกมาแล้วมีเว้นที่ว่างไว้นิดหนึ่งนะพอประจุมันมากถึงจุดหนึ่งอ่ะสะสมไปมากถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดการสปราปปร์กป๊ิปริคลย<ว>คล้ายคล้ายฟ้าผ่าอยู่ตรงกลางตรงนั้นอพราะมันปริป ร, ป, ปรยออกมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดคลื่นวม่เหิวแผ่ออกมารอบๆ แล้วว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้าหรอคะอ่ะอ๋อแน่นอนแต่เดี๋ยวเกิดยังไงเนี่ยไว้เล่าแต่เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นเครื่องส่งสัญญาณก่อน<ฆ>นะฮะซึ่งผมคงไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าทําไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเฮิร์ทสร้างสิ่งนี้<ฆ>ตรง น, นี้จะยาวมากเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาสร้างเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณว<ะ>ิทยุญญออกมาทีนี้เขารู้ได้ไงว่ามันมีสัญญาณออกมามเขาก็ต้องมีตัวรับถูกไห ม, มตัวรับเนี่ยน้องฟางครับดูรูปอยู่ตรงซ้ายมือใช่เหมือนเป็นห่วง เป็นห่วงเลยแล้วตรงปลายเนี่ยเป็นก้อนโลหะ2ก้อนนะครับห่างกันเหมือนกับห่างกันเล็กๆใช่ใช่ทีนี้พอคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างคลื่นวิทยุเนี่ยมันวิ่งมาถึงตรงห่วงเหล็กเนี้ยมันจะทําให้ห่วงเหล็กเนี้ยเกิดการสปาร์กขึ้นอีกแต่อ่อนมากมากระดับที่ต้องใช้แบบแว่นขยายใหญ่ๆอะไรเงี้ยส่องดูเลยถึงจะเห็นมันบางมากคือตัวแรกอะสปาร์กแรงเลยแล้วก็ปล่อยคลื่นออกมาแต่พอมาสังเกตดีๆตรงตัวรับเนี่ยเฮ้ยมันมี การสปาร์เกิดขึ้นซึ่งเนี่ยคือผลมาจากคลื่นวิทยุทีนี้คุณเฮิร์์เนี่ยทำการทดลองซึ่งผมว่าตรงนี้น่าทึ่งมากก็คือเอาตัวรับเนี่ยนะครับขยับไปที่ระยะตะห่างต่างๆกัน<อ>ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันสามารถส่งสัญญาณไปในระยะทางไกลได้คือไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเลยห่างไปสักระยะหนึ่งเลยมันก็สามารถแบบสปาร์ห่างๆได้ตรงเนี้ยมันเจ๋งมากแล้วอย่างที่2ก็คือ พอเขาเอาแว่นขยายไปส่องเนี่เพราะว่าที่บางระยะเนี่ยมันมันสปาร์กแรงต้องบางบางระยะมันไม่ค่อยสปาร์กแล้วมันขึ้นลงเป็นคาบของคลื่นวิทยุพอดีมันทําให้การสปาร์กแรงสปาร์กค่อยตรงเนี้ยมันทําให้คุณเฮอร์สเนี่ยหาได้ว่าความยาวคลื่นที่ส่งออกมาเนี่ยมันมีมันมีลักษณะความเป็นยาวความยาวคลื่นเท่าไหร่ได้ด้วยอ๋อซึ่งมันไม่เกี่ยวกับระยะห่างเกี่ยวกับระยะห่างว่ายิ่งอยู่ห่าง ถึงจุดนึงมันก็จะอาจจะสปาร์คแรงแล้วก็สปาร์ค่อยๆค่อยๆลงมาจนแทบไม่สปาร์กแล้วก็กลับมาสปาร์คขึ้นอะไรเป็นเป็นเป็นคาบอะนะเป็นคาบขึ้นลงลงเท้รขึ้นใช่ก็เลยใช้ตรงเนี้ยมาหาความยาวคลื่นวิทยุที่อย่างถูกต้องด้วยโอ้เจ๋งมากอะเจ๋งไหมอืมแล้วคุณไฮบริดเฮิร์ h เนี่ยก็ทำการทดลองเนี่ยสาธิตให้ลูกศิษย์ดูเนะลูกศิษย์ก็ถามว่าแบบเออโปรเฟสเซอร์นี่มันใช้ทาอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามาสเตอร์แม็กซ์เวล Master, เขาเรียกคุณแม็กซ์เวลว่าเป็นมาสเตอร์เพราะว่าเป็นเกจินะถูกต้องอมหมายความว่าทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคุณแม็กซ์เวลล์เนี่ยมันถูกต้องแน่ๆ น, นอกจากคลื่นแสงที่ตามองเห็นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมันยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยาวกว่า น, นั้นอยู่อีกอและเขาเจอเป็นคนแรกแล้วนักศึกษาก็ถามว่ามันทําอะไรได้เขาก็บอกว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรมั้งเขาบอกว่าคงจะไม่มีประโยชน์อะไร ห่ลูกไหมวะในวันนั้นน่ะมันมันยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเขาไม่รู้จริงๆเขาเพิ่งเจอค่เพิ่งเจอจะรู้ได้ยังไงมันก็นะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะว่าทุกวันนี้คลื่นวิทยุมันรอบตัวเราเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้เราแทบจะอาศัยอยู่โดยปราศจากคลื่นวิทยุได้ลําบากมากๆเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามชีวิตของคุณเฮิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเศร้าเพราะว่าเขาก็เสียชีวิตค่อนข้างเร็วคือ36ก็เสียละคือเขา ป่วยเป็นโรคแบบปวดหัวไมเกรนเนาะก็ไปผ่าผ่าแล้วก็เสียชีวิตคือ <ไง S 2> แต่ก่อนการผ่าตัดการอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก<ฆ>็เข้าโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยสมัยก่อนคือผ่าตัดทีโอ้โหมีโอกาสเสียชีวิตเนาะคุณคุณเฮิร์สก็เสียเร็วมากมแต่ชื่อของเขาก็อยู่ในหน่วยของอะไรรู้ไหมเมกเกอร์เฮิร์สอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือนแบบเราฟังซึ่งมันเป็นหน่วยของอะไร <Mega> ของของไม่รู้ว่าเปิด FM เท่านี้เท่านี้เมก็เฮิร์สเป็นความถี่คลื่น oh. นะจริงๆเป็นความถี่ทุกอย่างในฟิสิกส์อะไรก็ตามที่ที่มันเคลื่อนไหวเป็นคาบซ้ำเดิมอะะลูกตุ่มนาฬิกาเลยแล้วก็ตามความถี่ของมั น, นมีหน่วยเป็นเฮิร์สหมดเลยไปถึงนะซึ่งก็มาจากคุณไฮบริดเฮิร์คนนี้ ซึ่งในยุคที่คุณเฮิร์ตเขาค้นพบเนี่ยมันยังไม่ถูกเอาไปต่อยอดชื่นวิทิวก็ยังเป็นเหมือนกับความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อมีมันมีแล้วแล้วต่อจากนั้นมันถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไงบ้างอโอเคคือช่วงที่คุณเฮิร์ตเสียชีวิตเนาะในช่วงนั้นเนี่ยก็คนก็เริ่มคนจริงๆต้องบอกว่าคนที่แบบสนใจเรื่องใหม่ๆเป็นไพโอนีย่ะเป็นอะไรวิศวกรไปเลยพวกนี้เขาเริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ส่งสัญญาณแบบไร้สายได้คือเป็นวายเลส อมันมีโอกาสจะใช้ได้นี่แล้วตอนนั้นเนี่ยมีอัจฉริยะคนหนึ่งเรียกว่าเป็นอัจฉริยะละกันเพราะว่าอายุประมาณ20่สิบเองอก็เริ่มศึกษางานของคุณเฮิร์สแล้วก็เอามาทดลองแล้วแล้วคนเนี้ก็ไปต่อยอดงานชาวบ้านมาเต็มไปหมดเลยนะคือเขาไม่ใช่คนแรกหรอกแต่ว่าเอางานคุณเฮิร์สมาเอางานคนโู้นคนนั้นมาแล้วก็เอามาสร้างเครื่องส่งสัญญาณโทรเลขแบบไร้สายได้คนแรก โอ้คือต่อยอดจากความเริ่มทดลองตั้งแต่20แล้วก็ทดลองต่อยอดมาคนนั้นก็คือกู o ก l e เอลโมมาคอนีเคยได้ยินไหมมาคอนีเป็นคนที่สร้างโทรเลขไวเลสนะฮะก็คือไวเลสเทเลกราฟคนไทยเรียกตะลับแก๊เคยได้ยินไหมตะลับแก๊หรอน่าจะเคยได้ยินตอนแบบเรียนในโรงเรียนซึ่งนานมากแล้วอ่าแล้วก็โทรเลขเนี่ยน้องฟางเคยรู้จักมนหมเคยรู้จัก มันเคยอยู่ใน <c oughs> มันจะมีเหตุการณ์ว่าโอ้ยถ้าแบบอยู่ไกลๆแล้วต้องส่งข้อความถึงกันแต่ส่งได้แบบสั้นๆอะไรอย่างนี้ไหมคะอ่าใช่เพราะว่าโทรเลขเนี่ยคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทุกวันเนี้มันหายไปแล้วคือไม่ทันก็อาจจะไม่รู้จักมาละคือมันเป็นเครื่องส่งสัญ ญ, ญาณไร้สายที่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะคุณครูภาษาไทยจะให้หัดเขียนคํากระชับกระับเพราะว่าโทรเลขเนี่ยมันไม่เหมือนโทรศัพท์เขาคิดเขาคิดราคาเป็นคํา คำละกี่บาทกี่บาทแล้ว ม, มันมันแพงดังนั้นถ้าพูดแบบยืดยาวอรัมพบทแบบมาพูดสวัสดีครับวันนี้ผมเชื่ออะไรเงี้ยอเสียตังค์เยอะมากเลยดังนั้นคุณครูก็จะบอกว่าหัดเขียนให้มันกระชับกระชับทุกวันนี้ก็อาจจะเขียนแบบลงทวิตเตอร์ให้มันกระชับกระชับอะไรเงี้ยอแต่สมัยก่อนเขาเป็นโทรเลขเนาะแต่ในยุคนั้นนี่ถือว่าล้ำมากนะเพราะว่าพอมีโทรเลขแล้วเนี่ยโหสายสัญญาณเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะแต่ว่า มันก็ลดบทบาทลงไปนะฮะแล้วเป็นการบุกเบิกการส่งสัญญาณไร้สายอย่างแท้จริงตั้งแต่คุณออมาโคโนีและมาโคโนีเนี่ยก็ได้รางวัลโนเบลด้วยนะอจากจาการคิดตัวโทรเลขนี่เหรอถูกต้องครับคือไอ้ตรงนี้ก็จริงๆเทคโนโลยีของมาโคโนี่มีดราม่าเยอะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณเขาก็าก็ไม่ค่อยชอบอใช่ไหมมันไปดิสรับเขาใช่เขาก็มีดราม่าเยอะแต่ว่าสุดท้ายมัน มันทานทนไม่ได้แล้วมาคนนี้ก็มีความเป็นนักธุรกิจมีหลายอย่างเ้าก็ทําให้บริษัทของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับโลกก็เข้าสู่โลกโทรเลขลประมาณนั้นแปลว่าตั้งต้นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงการแบบไร้าสายเนี่ยมันมาจากการที่เรารู้จักตัวเคลื่อนวิทยุก่อนใช่ฮะแล้วตะกี้น้องฟางถามว่าเคลื่อนวิทยุเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าใช่อหมเกี่ยวแน่นอนถ้าเราคุยกันแบบฟิสิกส์แบบ อันนี้ฟิสิกส์เวเพียวเลยนะทุกวันนี้เนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างคลื่นวทิทยุเนี่ยมันออกมาจากอะไรโ okay, อเคเรารู้ดีมันออกมาจากเสาส่งสัญญาณถูกไห ม, มแต่เสาส่งสัญญาณมันทํำยังไงหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังคําตอบก็คือนักฟิสิกส์ค้นพบว่าถ้าเรามีประจุไฟฟ้าอยู่นะครับเป็นประจุไฟฟ้าแบบประจุไฟฟ้าเลยทั้งบวกทั้งลบทั้งอะไรก็ตามแล้วแต่นะถ้าเราไปทําให้เกิดความเร่งคือเปลี่ยนความเร็วหมายถึงว่าถ้าตักแรกมัน มันไม่ขยับเราเปกระชากให้มันขยับแรงๆหรือจากที่มันอยู่นิ่งๆเราทําให้มันเคลื่อนไหวหเป็นวงกลมคือเปลี่ยนทิศทางของความเร็วไรยตกเนี้นะอมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้อเนี่ยแหละคือธรรมชาติพื้นฐานของของการสร้างเครื่องส่งสัญญาณเลยคือไปเร่งให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดความเร่งจะเร่งยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบทางวิศวกรรมแล้วพอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแม่วิทยุเนี่ยมันถูกแผ่ออกมานะฮะ เสารับเนี่ยตัวเคลื่อนแม่หล็กไฟฟ้ า, ฟาก็จะไปทำให้ประจุไฟฟ้าในเสารับเนี่ยเกิดเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวบางอย่างขึ้นและถ้าเราออกแบบการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวนั้นได้เราก็จะสามารถใช้เสาตัวนี้รับสัญญาณตะเกียบได้<อ>หลักการประมาณนี้แต่กว่าจะไปถึงความจริงเนี่ยก็ไกลยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะนะฮะไม่ว่าเราจะ ล o i อสอย่างไรอะไรยังไงเสาก็จะมีหลากหลายแบบมากการรับสัญญาเนี่ยโหเยอะมากเลยประมาณนั้นแล้วแล้วท่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันดูเป็นเรื่องในบนโลกนะพี่อปองปนแต่มันจะมีบอกว่ามีสัญญาณวิทยุจากนอกโลกคือคือหมายความว่าคลื่นวิทยุเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนโลกใช่ใชหมคะคือหมายความว่าจากเดิมเราคุณเฮอร์สเขาเจอก่อนว่ามีคลื่นวิทยุมีจริง มาคนนี้ก็บอกว่าโอเคมีใช่ไม้มเอามาใช้แต่ว่ามันไม่ใช่คลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพียงอย่างเดียว ม, มันไม่เหมือนแบบโอเคงานประติมากรรมมนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแต่คลื่นวิทยุยังเป็นสิ่งที่ออกมาจากธรรมชาติด้วยอ๋ออ่าก็มีหลายกระบวนการที่ในอวกาศนะฮะคือในในธรรมชาติแล้วกันที่มันสร้างคลื่นวิทยุออกมา ไม่ว่าจะออกมาจากแก๊สไฮโดรเจนหรืออะไรพวกนี้นะฮะบางทีมันเอ็กไซท์ขึ้นมามันก็จะปล่อยคลื่นวิทยุออกมาเราก็ตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆได้นะทีนี้กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นวิทยุเนี่ย ค, คืออย่างนี้หลายๆคนก็จะคุ้นเคยเวลาดูดาวว่าเราจะต้องมีกล้องแบบกาลิเลโอใช่ไหมเป็นคล้ายๆบ้องข้าหลา ม, มส่องออกไปนะส่องออกไปแล้วเราก็เห็นภาพอะไรบางอย่างใช่ใแต่นั่นนะอ่ะคือกล้องที่เราใช้แสงคือเรา เราเอาไว้ดูวัตถุที่มันเปล่งแสงออกมา<ะ>ซึ่ง<ะ>อันนี้ก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ทันทีทันใดที่นักฟิสิกส์รู้ว่าอ๋อมันมีกระบวนการบางอย่างที่มันปล่อยคลื่นวทิทยุออกมาจากจากอาวกาศได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างเครื่องรับซึ่งมันจะไม่ใช่กล้องแบบกาลิเลโอแล้ว ม, มันจะเป็นจานที่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆยิ่งใหญ่มากยิ่งดีอถามว่าทําไมเพราะคลื่นวทิทยุความยาวคลื่นมันเยอะมากมเป็นเมตรเป็นหลายเมตรดังนั้นการจะรับ ช่วงคลื่นต่างๆให้มันครอบคลุมเนี่ยจานก็จะ ต, ต้องยิ่งใหญ่เน อ, อะไหมฮะถ้าจานเล็กเนี่ยมันก็โหไม่ค่อยได้นิดเดียวไนดเดียวช่วงเดียวอะไรอย่างงี้ยนะใช่และเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์สัญญาณวิทยุเนี่ยมันไปไกลมากมถึงขั้นที่เดิมทีเนี่ยเขาก็จะแข่งกันแบบประมาณว่าใครจานใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยนะครับก็มีกล้อง a าร์เรซที่พังไปแล้วนะฮะแต่ก่อนเคยใหญ่มากเดี๋ยวนี้กล้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่ประเทศจีนชื่อกล้อง FAST นะผมยากจำไม่ได้ว่าย่อจากอะไร FAST แล้วก็อย่างกล้องที่เราใช้รับแสงเนี่ยกล้องโทรทัศน์พวกนี้บางทีเราอยากจำไม่อยากรบกวนจากภายนอกแล้วก็ส่งออกไปนอกโลกเนาะก็จะมีกล้องฮับเบิลอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเวลารับสัญญาณวิทยุเนี่ยเรามักจะไม่อยากถูกรบกวนจากสัญญาณที่มันอยู่รอบตัวเราอะเขาจะมักจะเอาไปไว้ในที่แบบเป็นป่าป่าป่าลึกเลยนะฮะอะไรแบบนี้แล้วก็ฝังลึกๆลงไปที่มันแบบอยู่บนดินอะไรเงี้ยนะใช้หุบเขาใช้อะไรไม่ให้ สัญญาณรอบๆเข้ามาได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าในเมื่อเราอยากจะได้กล้องรับสัญญาณวิทยุที่ใหญ่มากๆมันก็เลยมีวิธีการที่ผมว่ามันเจ๋งมากก็คืออาศัยข้อมูลจากทั่วโลกนะจากเครือข่ายกล้องวิทยุจากทั่วโลกเนี่ยมาเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กรันประกอบกันขึ้นมากลายเป็นเหมือนเหมือนจานที่ ffe ฟกทีฟแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่เหมือน โอ้โห و, เป็นทวีปเป็นโลกอย่างเงี้ยคือใช้หลายๆตัวมาประกอบกั น, น, กนพอมาซิงก์กันมันก็เหมือนเป็นเป็นจานที่ใหญ่เป็นทวีปเลยใช่ก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นภาพที่แบบถ่ายภาพหลุมดําเป็นสีส้มๆอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เอ็บคลื่นวิทยุมาคลื่นวิทยุมันก็ดีฮะเพราะว่าตัวคลื่นมันยาวพอคลื่นมันยาวเนี่ยพวกฝุน่นพวกแก๊สอะไรมันก็จะบังได้ยากนะค่ะซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนเป็น ปรากฏการธรรมชาติหมายความว่ามันก็อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอแล้วทำไมมันถึงน่าตื่นเต้นที่เวลาจะมีข่าวบอกว่าเราเจอสัญญาณวิทยุจากนอกโลกอะไรเงี้ยอ๋อมันก็คือหลายๆครั้งที่เป็นสัญญาณจากนอกโลกเนี่ยเราไม่รู้ว่าหนึ่งเลยคือกระบวนการอะไรปล่อยมันออกมากันแน่นะครับแล้วก็บางครั้งต่อให้เราเรามีชื่อเรียกมีอะไรแบบนี้แต่เราก็ บางทีมันปล่อยออกมาแค่แว็บเดียวมันเป็นเบิร์สมันแบบออกมานิดแบบชั่วขณะอย่างเงี้ยแล้ก็ไม่เราก็ศึกษามันค่อนข้างลาบากว่าเฮ้ยมันมันเกิดจากกระบวนการแบบไหนอย่างไรคือแค่แค่หันไปเจอก็น่าตื่นเต้นละอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าการจะไปสรุปว่าคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นสัญญาณที่มาจากเอเลี่ยนหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นการสรุปที่ก้าวกระโดดไกลเกินไปอมันไกลเกินไปมันเหมือนผมนอนอยู่บ้านแล้วได้ยินเสียงแปลกๆกุ๊กๆราบอกเอเลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสรุปไกลเกินไปใช่มันจะมี ความเป็นไปได้อยู่เยอะเราก็ต้องมองก่อนหนูหรือเปล่าขโมยหรือเปล่าลมหรือเปล่าบ้านจะพังหรือเปล่าหรือเรานี่แหละโกลดังหรือเปล่าแล้วบ้านมันสั่นเองคพวกนี้มันมีความเป็นไปได้เยอะเราก็ต้องค่อยๆเก็บข้อมูลนะประมาณนั้นแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดได้จากหลายอย่างซึ่งอาจจะมี ปัจจัยเล็กๆว่าเออเป็นเหมือน ท, ที่มนุษย์เราทดลองในการสร้างคลืนก็ได้แต่ว่ามันก็มีที่มาทางธรรมชาติของมันอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ฮะ<ม>ซึ่งคลื่นวิทยุจริงๆไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุนะ<ม>ปรากฏการเกี่ยวกับการระเบิดของรังสีแกมมาหรืออะไรต่างๆ<ม>ที่เป็นเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยหลายๆอย่างเราเจอเราเจอเราเก็บข้อมูลได้น้อยอยู่พอเจอขึ้นมาทีก็น่าตื<ม>่นเต้นอแต่บางทีก็นะเวลาทําข่าวก็อาจจะคิดกันไปไกลไปนิดนึงว่าโหเอเลี่ยนส่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ เรายังไม่สามารถฟันธงได้เร็วขนาดนั้นอรังั้นถามแบบตรงๆซื่อๆเลยนะพี่มนุษย์ต่างดาวส่งคลื่นมาเนี่ยมันมีจริงปะแบบที่แบบคนจะแตกตื่นกันสรุปมันใช่คลื่นจากมนุษย์ต่างดาวไห ม, มใช่ไหมคำตอบตรงๆเลยคือเราเราไม่รู้เราไม่อาจมั่นใจได้เรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอมันมีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ต่างดาวแค่แค่เซี่ยวนึงของความเป็นไปได้อื่นๆอีกเยอะฮะคําตอบตรงๆก็คือ เรายัางฟันธงไม่ได้เรายัางไม่รู้เรายัางไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าจะให้พูดว่ามันใช่หลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์มนุษต่างดาวหรือเปล่าเราก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้อืม <laughs> อืมโ <c oughs> อเคค่ะ <c oughs> ทีนี้อาจจะชวนกลับมาที่บนโลกของเราบ้างม <c oughs> เมื่อกี้เราไปทั้งแบบในเอกภพนอกโลกมาแล้วนอกโลกมาแล้วแล้วบนโลกเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับตัวเครื่องที่เราใช้ฟังวิทยุกันนี่แหละแล้วมันก็จะมีคลื่นเอเออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมัน มันคืออะไรแล้วในทางฟิสิกส์เอเอนี่มันคืออะไรคะนี่เออคือเอางี้ก่อนวะคือคลื่นวิทยุเนี่ยมันใช้ส่งสัญญาณได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเรารู้กันดีเนาะเพราะว่าเรามีวิทยุเอาไว้ฟังเนี่ย<ม>ก็แปลว่ามันรับสัญญาณได้<ม>เรามีโทรทัศน์ก<ม>็แปลว่ามันรับสัญญาณได้เรามีมือถือมีอะไรพวกนี้มันรับสัญญาณได้<ม>แต่คลื่นวิทยุมันก็เป็นคลื่นอย่างเงี้ยเป็นคลื่นลึกๆๆๆบางเงี้ยอ<ม>เราใส่เสียงเข้าไปได้ยังไง บรรจุเสียงอ่ะเอาเอาเสียงก่อนนะเข้าไปได้ยังไงเนื้อใช่ไหมอ่ะทีนี้วิธีการจะบรรจุเสียงเข้าไปเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นแบบลักษณะหนึ่งนะฮะที่ความดันอากาศเนี่ยเวลาสมมติเราฟังเพลงของนักร้องหรือวงที่ชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเสียงที่มันเข้ามาที่หูเราเนี่ยมันก็จะเป็นอากาศที่สั่นบางช่วงอากาศเนี่ยมันจะสั่นแบบด้วยความดันสูงบางช่วงอากาศก็จะสั่นด้วยความดันที่ต่ํา สลับกันไปแล้วความดันสูงไปยังความดันต่ำเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าความถีอยู่นึกออกไหมดังนั้นเราอาจจะลดทอนความเป็นเสียงออกมาได้แค่2 อ, อย่างเท่านั้นก็คือว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นที่บรรจุ ข, ข้อมูลของความดันอากาศไว้แล้วก็ระยะห่างระหว่างความดันกับความดันอะไรแบบเนี้เริ่มเริ่มยากใช่ไหมทำไม<า>ทำหน้า ง, งั้นกำลังจินตนาการภาพตามรู้สึกเหมือนเรากําลังเอ็กซเลย์ เข้าไปข้างในของเสียงโ <Okay. S 1> อเคทีน่นาการภาพตามฉันเปิดภาพดูครับโอเคดูรูปข้างบนมันก็จะเป็นคลื่นเป็นหนกโหนกมาแบบนี้นะไอ้คลื่นที่มันสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยซุดคลื่นช่วงที่สูงๆหรือต่ํต่มากมากเนี่ยก็อาจจะไมได้พูดได้ว่ามีความดันสูงมากเลยนะนะโอเคทีนี้เราอยากจะส่งสัญญาณเสียงเนี่ยผ่านคลื่นวิทยุเนี่ยนะจะส่งยังไงดีมันก็มีวิธีการปรับแต่งหรือ m o d u l a t หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะที่นิยมกันและที่ได้ยินกันบ่อยๆสองแบบแบบแรกก็เรียกว่าแอมพลิจูดม d ดูเล e คือ<ม>ปรับเอาความดันเนี้ยปรับมาด้วยแอมพลิจูดหรือความความสูงของคลื่นช่วงที่ความดันเยอะๆเราก็ทำให้คลื่นวิทยุเนียมันสูงมากๆ<ม>แต่ช่วงที่ความดันต่ำๆเราก็ส่งคลื่นวิทยุที่ มันความสูงต่ำต่ำไปนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งชักตะโกนออกมาเสียงความดันมากเลยโอ้โหคราวนี้ครื่งวิทยุก็โอ้โหทีแล้วก็สูงมากมแต่ช่วงไหนแบบเสียงความดันต่ำต่หน่อยก็ต่ำาๆนะฮะคือกระดิกริกรๆดิกๆะดิกระแิกวะดิกระดิกากระกระดิงระดิงระดิกระดิกระดิกระดิกระดิกระดิกระดิกระดช่โดยเอาอดิกระดิกระเิกระดิกระดิรดิกริกยะดิกริ การแปลงในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าแอมพลิจูดโมดูลเลตเพราะว่าเราเอาความดันความแรงของความดันเนี่ยมาใส่เป็นความสูงหรือแอมพลิจูดของคลื่น อ, อันนี้ก็คือ AM อ่ะอีกแบบหนึ่งก็คือตรงไหนที่ความดันอากาศสูงเนี่ยนะฮะเราก็เอามาใส่ไว้เป็นความถี่เรียกว่าฟรีควอนซี่โมดูเลตคือตรงไหนความดันสูงมากๆเราก็ให้คลื่น ว, วิทยุอะความถี่สูงมาก และที่ตรงไหนที่ความดันต่ำๆล้วก็ให้คลื่นวิทยุความถี่ไม่ค่อยสูงมากมตรงไหนความดันสูงอีกก็ทีอีกทียิกเลยแล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ทีมากข้าไปอีกอตรงนี้จะเรียกว่า f r e q u e n c y modulate หรือ FM อเคยได้ยินใช่ั้ยเคยได้ยินค่ะามาจากตรงนี้ทีนี้ AM กับ FM ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน<ะ> AM เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นคลื่นที่สะท้อนกับบรรยากาศโลกได้ สะท้อนไปมามันก็ดึกดึกๆึกลงมามันก็ไปได้ไกลกว่า FM อ็อแต่ในช่วงคลื่นของ FM ที่เขาใช้กันเนี่ยข้อดีสําคัญมากๆเลยก็คือในเมื่อถ้าดูในรูปนะฮะเอ <Okay. S 1> เนี่ยความสูงของคลื่นมันเท่าเดิมตลอดอสิ่งที่เปลี่ยนมันแค่ความถี่ออืดังนั้นพอมันเจอโน้สหรืออะไรแอดออหรือเติมเข้ามาเนี่ยทางตัวรับเขาจะรู้ละเอ้ยเราเซตไว้ความสูงเท่าเนี้ดังนั้นมันจะกําจัดโน้สได้ง่ายกว่าเอเอ อ๋คืออันนึงอ่ะไปได้ไกลกว่าแต่ไอตัวบนใช่เอเอ็ไปได้ไกลกว่าแต่ FM เนี่ยเหมือนกับชัดชัดกว่าชัดกว่าเอานอสออกง่ายเพราะมันสูงเท่าเดิมตลอดนะฮะเวลามีนอสเข้ามาเราก็รู้แล้วอุ้ยมันมันสูงเกินน่ยต้องตัดออกตัดออกอะไรแบบนั้นนะโดยหลักการใช่มันก็เลยเป็นเหมือน2เทคนิคที่เราเลือกได้ว่าเราจะแบบส่งด้วยรูปแบบไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนั้นฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการออกแบบอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับที่แตกต่างกัน แต่อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการส่งสัญญาณภาพนะตรงนี้ก็ต้องไปหาอ่านกันเองอ ม, มันก็จะซับซ้อนเข้าไปอีกว่าอสัญญาณเสียงมาได้แล้วแล้วถ้าจะเอาภาพมาด้วยมาอ ย, ย่างไรซึ่งมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกอนึกออกไหมแล้วต้องไปด้วยกันด้วยนะไปด้วยกันเออเรื่องใหญ่พอพอคุยกันแบบนี้พี่องแปงฟังรู้สึกว่าหลายๆตอนที่เราคุยกันมานักฟิสิกส์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาอยู่ในบางอย่างที่มันมองไม่เห็นได้ด้วยตาอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเป็นเรื่องที่ ยากเหมือนกันเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นปกติของการศึกษาทางฟิสิกส์ใช่ไหมคะใช่มันยากแล้วก็มันยากเป็นปกติคือคุณริชาร์ดไฟแมนเคยบอกไว้ว่าจินตนาการทางฟิสิกส์เนี่ยมันแตกต่างจากการจินตนาการว่ามีนางฟ้าอยู่ในห้องนี้อคือการพูดถึงนางฟ้าที่อยู่ในห้องเนี่ยมันมันจินตนาการง่ายกว่าการจินตนาการถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย เอาจริงๆคือไฟแมนเขาพูดนะผมก็ไม่รู้เขาถ่อมตัวหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยมองภาพมันออกเท่าไหร่การที่จะมองว่ามีคลื่นวิ่งขึ้นมาแล้วมีอีกอันตั้งฉากไปมันมันมองเป็นภาพออกมาได้ค่อนข้างยากมากมนะครับแล้วก็การที่มันจะไปปฏิสัมพันธ์กับอย่างอื่นแล้วมีอะไรเครื่องรับเขึ้น อ, อะไรยังไงพวกนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่คือการศึกษาฟิสิกส์เนี่ยมันต้องใช้จินตนาการในการ มองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของธรรมชาติที่มันเป็นคือแบบจำลองของสิ่งที่มันเป็นรวมทั้งสมการดังนั้นฟิสิกส์มันก็เลยยากเนี่ยนี่ยังไม่ได้คิดเลขนะคือถ้าคำนวณเนี่ยก็จะยากเข้าไปอีกสักหน่อยแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็จะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณอะไรเงี้ยครับแต่ว่า สุดท้ายเวลาเรามาอธิบายอะไรที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมันต้องอาศัยการมองภาพตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายเนาะแต่มันก็สนุกใช่ไหมล่ะอืม <c oughs> เราถึงมีคนดูรายการของเราอยู่มี <Okay. S 2> ใช่ไหมนีพอพอคุยกันก็รู้สึกว่าเออบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ว่าเออพอมันถูกเอามาใช้ประโยชน์และต่อ ย, ยอดในยุคนึงอะ่ะมันก็มีพลังมากๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้จําเป็นต้องมองเห็นด้วยตาปล่าก็ตามนะคะถ้าใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่า พี่ป่องแปงอยากฟังเรื่องคลื่นอะไรอีกหน้าหรือว่าจะต่อยอดไปถึง Wi-Fi หรือว่าจะเป็นคลื่นอื่นๆที่เมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าไปทั้งภาพและเสียงมันไปยังไงใครอยากรู้ต่อชวนกันคุยชวนกันถามได้ในคอมเมนต์เลยนะคะยังไงพวกเราก็ขอฝากกด Subscribe นะคะ YouTube c h a ของ l ขอ The s t a n d a r d Podcast จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของรายการของเราคะ่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามฟังใดๆในโลกล้น Ph ส s ในทุกๆ Podcast Player ได้เลยนะคะ เราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears